คือสมาธิจริงๆก็จำเป็นสมาธะระลึกโฆษณาชี้ข้งในเขาหลุดก็ไม่ได้สมาธิเขาเป็นไม่ได้คือว่ามันมีนำหนักขึ้นมานิดคือมีเพราะว่าตรงนี้เราไปปจุงใจขำขึ้นมามันไม่ได้สั้งขึ้นมาเองแต่ว่าอยากให้แรงกว่านี้นะที่ตรงนี้ไม่ถูกหรอกแต่ว่าดีเปกระจายกระจายเกินไป้วย เข้ามาดูไม่ถึงฐานอีกแต่ยังตรงนี้เขาคลายความจงใจซะเอนใช่ไหมใช้นิดเดียวผมก็ต้องใช้นิดเดียวอย่าใช้เยอะใช่เยอะผิดเลยเดี๋ยวไม่ติดสมาธิเนี่นตรงที่คลายออกเนี่ยตรงที่คลายออกเนี่ยมันจะใช้ได้หรือมันมันจะอบเแล้วเคยชินมาเหมืนกันเรอบางทีบางทีก็เข้าไปเกาะแบบไม่ใช่ไหมขนาดจิตตรงเนี้ จิตมันเคยฉินกับสภาวานี้เข้าหรือเปล่าหรือว่าวันนี้ไม่เหมือนวันอื่นหอเ่วันนี้นีรู้สึกแคลอยลอยไเออใช่รอยลอยไปเหมือนันจิตมันกระจายออกไปข้างนอกมันลอยไปเลยแต่วันอื่นไม่เป็นนะวันอื่นไม่ค่ะตัวเราไม่เป็นไรกันไม่ต้องแก้ตัวของเราออกไม่เป็นอะไรหรือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ทุกวันต้องแก้ให้จิตไม่ตั้งมา จิตได้ตั้งมั่นรู้สึกตัวไม่ได้จริงลําลบากมากเลยนะนข่าวว่าโอ้ทางหลงนี่นะล้เกลื่อนกลาหลงเข้าเขื่อนเลยนั่ก็ไม่ถูกแบบหลุดไปนอกก็ไม่ถูกมีแค่ๆไปกระจายจิตมันปุ้มสร้างนิดๆเห็นเห็น่บ้างหลงันบ้านไหยแต่สมอ ง, งดูออกใช่ไหมพ่อเห็นค่ะแต่แบบับาก่ จริงรู้สึกตัวเนี่ยไม่มีน้าหนักนะเงีายที่จําังไปเที่ยวมันมีนําหนักนะ้ำนักมันก็ไม่ใช่ของจริงอ่ะมันเป็นแค่ให้ายๆยาคนยาที่ ม, มันมีไซเบอร์เกงเลยเรื่องการใช้บูบายคือเป็นเรื่องที่ต้องระวังมากๆหลวงพ่อถึงไม่ใช่เด่นด้วยที่แต่งหน้าหือเราเป็นเรื่องบูบายอะไรกันอันตรายใล้ายๆร่างกายเรา ไม่สบายอะไรนิดึหนึ่นกินยาหนึ่นแล้วยาเรามีโทษมีใช้แตกตามมาเราต้องห า, าตัวอะไรมาแก้เลยปฏิบัติเท่าไรเท่าไรก็มีแต่นั่งแก้ไปเลยชียโรคแต่ถ้าสมพงศรู้วันนี้ป่วยไข้เล็กน้อยจิตเบาเกินไปกระจายเกินไปจิตมันฟูกระจายรู้สึกไหมมันกระจายเกินไปมันไม่ตั้งมั่น ถ้าเรารู้อยู่ก็ไม่เป็นไรไม่มีสัญาคล้ายเรารู้ว่าอะไรเนี่ยการ์เซนทำตัวให้หุ่นหุ่นน่อยไม่ใช่ความรู้กาเจนเี๋ยวต้องไปกินยาป้องกันลบหวัดะรเล้ยตื่นเช้าไปรึเปล่าขที่ตีเดี๋ยวกินข้าวแล้วหับเหยยุ่งแบบคนกินข้าวแล้ว แต่ก็ยังถ้าเาวัดความเข้าหน้าเราไม่ไดเอามาสถานอะไรมาวัดเราใช้ว่าเราเปลือตั้งหน่มไหมใจลอยนานไ้มถ้าเราใจลอยตั้งนุตั้งหน่มว่าเข้าหน้าใจลอยรับทราบไหมมีปิติ จะหัดดูเองคือสภาวะรู้ที่ถูกต้องไม่ได้จงใจรู้ถ้าจงใจรู้แล้วจะหนักหนักแน่นๆ่นหรือสมองมันก็จงใจรู้เลยที่จะหนักอย่ีกนิดสภาวะรู้ที่ถูกต้องไม่มีน้ำหนักรู้ที่ถูกต้องมันเกิดตทำไหนทันที่สติเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนี่สติจะเกิดคิดเองได้ไม่ได้จงใจทําให้เกิดนีย สิ่งที่ทําให้สติเกิดคือการที่จิตสามารถจําสภาวะทำได้แม่นยําการที่จิตจําสภาวะทำได้แม่นยําเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดในหน้าที่ของเราใจสังเกตสภาวะใจเป็นสมครู้ใจเป็นทุกข์ควรรู้ใจมามรู้สึกอะไรให้รู้ไปเอย่างเราไปตามรู้มารู้สึกให้รู้ใปเรื่อยๆเหตุกามรู้สึกจะเกิดขึ้นได้ เราต้องไม่ไปนั่นเจ้างไปถ้านั่งจ้างความรู้สึก ต, ตนิ่งๆอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ไดเราไม่ต้องการดูความนิ่งๆเราต้องการให้เห็นว่าร่างกายจิตใจของาาที่เสลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราจะดูให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ให้ดูความนิ่งแล้วเราจะเป็นั่งจ้องเอาไปเราตายอยู่ที่จิตใจไม่ได้นดะนมเรานั่งจ้องทุกอย่างเห็นนิ่งนนิ่งเราก็ดู สามมันสามคืนคือนิ่งอยู่นั่นเองอ ย, อย่างนั้นไม่ได้เลยอย่าเป็นนั่งจอ้องวิธีที่จะให้ความรู้สึกมันเป็นไปตามธรรมชาติคือออกมารู้สึกทีนะ้ออกมาตามมาเห็นรูปคุ๋ไม่ได้ยินเสียง ต, ตาเราเห็นรูปปุ๋ได้ยินเสียงใจเราคิดคือการกระทบอารมณ์ทางตะวันทั้งหกมันเกิดขึ้นการกระทบอารมณ์ทางตะวันทั้งหกเนี่ยแล้วก็ให้ไฟรู้ไฟชําเนือความรู้สึกขเรา เราจะเห็นว่าความรู้สึกในใจของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะให้เท้ารู้ความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเราไปเรื่อยๆรู้เล่นๆรู้สบายสบายห้ามจ้องถ้าจ้องแล้วจะนิ่งนิ่งแล้วไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเราะฉะัตักก็ตั้งหลักที่ดีมากปฏิบัติเพื่อจะได้รู้เห็นความเปลี่ยนแปลงในกายในใจไม่ได้ปฏิบัติเอาิ่ง เน yeah. ี่ยทิ่งแล้วเนี <N h? <N h ่ยแต่กลาสานแลนั่งน่าดเลยยโยมมนจักไหนมาจากมหาัาสตรอนั่งก็ดีได้นะาเชิญนั่งก็ดนถ้าเชิญโยมนัน เน the the so ี่ยเนี่ยเราปล่อยให้มันเคลื่อนไหวอย่างงี้แล้วแทนที่จะรุดจงไปดูของนอกนะชำเลือนเข้ามาที่ใจเราครับจะรู้สึกไหมใจตอนนี้เบากว่าเมื่อกี้ดูออกไหมเมื่อกี้เราไปตั้งใจแข็งแข็งแต่พอมันกระทบอารมณ์ตาเราเห็นรูปหูเราได้ยินเสียงใจเราไปคิดเนี่ยหินมันเคลื่อนไหวความรู้สึกมันเคลื่อนไหวเนี่ยปล่อยให้มันเคลื่อนไหวต้องให้มันเคลื่อนไหวอยจะทําให้มันนิ่งเนี่ยทำให้มันนิ่งเดูออกไหม น้องเขาไปเพื่อเหอความนิ่งใช้ไม่ได้นะในนั้นได้แค่สมถะี่จัสนานี้เราจะคอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจะฉนั้นจะจะต้องเห็นมันเปลี่ยนแปลงอยากเห็นมันเปลี่ยนแปลงมีเงื่อนไขสองตัวตัวที่หนึ่งอย่าใจลอยแต่อย่าเผลอนั่นเองถ้าเผลอแล้วก็ลืมผ่านความรู้สึกของตัวเองอันที่สองอย่านั้นเเก้งเพราะนั่นเเก้งแล้วมันจะนิ่ง ไม่เผอไม่เพ่งนี่พูดมานานตั้งแต่เขียนไนังสือูนะนี่เผอไม่เพ่งทันสมัยเสมอเลยใช้ได้ทุกยุคสมัยเพราะว่านาัากปริสัสศึกษาสององค์นี้มันเนี่ยเผลอรู้ไหมอย่างนี้เรียกว่าเผอเนี่ี่หลงคิดทราบไหมหลงคิดก็เผลอนะันแหะหลงคิดก็คือเผลอเผลอหรือหลงนะอันเดียวกันหลงมีหกแบบเผลอมีหกแบบหลงดู ถึงเราเห็นคนเดินมาเราดูเราลืมลืมหายคังรู้สึกตัวเองนี่เรียกว่าหลงดูหลงฟังทั้งใจฟังฟังฟังไปรู้เรื่องที่ฟังหมดเลยแต้ลืมความรู้สึกของตัวเองนี่หลงฟังหลงทางตาหูจะมูกลิ้นใจใจอี่หลงทางใจเส้นหลงคิดหลงปฏิบัติธรรมสงใจเข้าไปนิ่งแช่อยู่ข้าในนี่หลงส่วนมากเราจะคิดว่าดีนับปฏิบัติ สิ่งแรกที่ทําเวลาคิดถึงา ก, การปฏิบัติก็คือสํารวมทําืึนคือนึืได้ที่แล้วก็เจ้าเข้าไปกัางไหนนี่เรียกว่าหลงปฏิบัติคือหลงทางใจนั่นเองหลงทางตามีย่งเดียวหลงดูหลงทัางหูเมีย่างเดียวลลหวยงยวลงฟังทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายมีอย่างเดียวหลงทางใจทําได้เยอะทําที่เป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้หลงปฏิบัติ หลวงปัญจปาดิเรกทราบทราบไหมว่าทําอยู่เราไม่รู้ว่าทําอยู่เรามีปอใจที่จะทําด้วยซ้ำแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเรากําลังหลงเข้าไปทางใจเนี่ยเราจะหลุดออกมาหลุดออกมาจากโลกของความกลุ้มแกล้งภายในออกมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวธรรมดาธรรมด า, เ ป, ามมเป็นกลางคือไม่นอกไม่ในอะไรเป็นกลางกลางหลงแล้วนะหลงคิด หลงคิดลงสังเกตนี่หลงตั้งค่าปฏิบัติดูออกเเอ่อไปอ่านวิถีแห่งความรู้แจ้งนกเหมื่อชั้นสองข้อหกสองนะหลงด้านอาชนิดหลงตั้งค่าปฏิบัติลงเข่งหลงเผลอหลงคิดจริงๆหลงมันมีลําดับของมันนะมีหลายแบบอย่างแรกเลยหลงสุดฉีดเนี่ยจะหลงแบบเผลอใจลอยไปเลย คิดอะไรก็ไม่รู้หลงอาดับรองมาเนี่ยหลงคิดหรือรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจของตัวก า, างอภิธรรมทางปริยัพเปีนแบบว่าปัญญาติดบางปรมาส์นะเป็นหลงอยู่ในโลกของความคิดลืมของจริงหรือลืมสภาวะของรูปของนาของกายของใจอีกอันหนึ่งก็คือหลงตั้งท่าปฏิบัติพอคิดถึงการปฏิบัติก็ทาเป็นขลุ่มขลุ่สํารวม นี่แกล้งทํำนะพอพอซึมคึ้นหน้ที่แล้วหลงมันดับตาไปคือหลงหาว่าจะดูอะไรดีเที่ยวส่งใจสแกนเนี่ยขวาดขวาดกวัดอยู่ข้างในเนะไปหาว่าจะดูอะไรดีเยอะๆอย่างนี้เห็นไหมบอกปุ๊บทำครับหนึ่งเรียนซ้ำๆว่านะไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตา มีหน้าที่คอยรู้ทันกับภาวะไปแล้วสติเกิดเมื่อไหรสติเกิดไปนั้นไม่หลง แ, ลแต่สติก็เกิดดับนัน้นของเรายังเป็นสองเสร็จดับเป็นสองไม่แน่นอนเราก็ทําให้เกิดบ่อยๆเดี๋ยวบ่อยๆแล้จิตมันคุ้นเคยถึนจนนจนงจุดหนึ่งจิตมันสะผ่อนผ่อนไปขึ้นมันจะไม่หลงเข้าไปข้างในอีกแล้วเมือมันไม่หลงเข้าข้างในไม่ต้องรักษาแล้วกิเลสไม่มีหรอกมีไม่ได้กิเลสม่เกิดตอนหลงเข้าไปด้วยนะ กูออกไหมกิเลสเสร็จตอนนี้แหละเนียนี่กิเลสนั้นนะอยากปฏิบัติครูออกไหมไอยากปฏิบัติแล้วทำขืนเขาหาหาไปหาได้ที่แล้วมันนั่งจ้องจะจ้องจ้องนิ่งอยู่คนเดียวจ้องไปจ้องมาเกิดเห็นใจนี่กิเลสอยากแก้นะจะจ้องไปจ้องมานี่กูโกรวนี่อยากรักษามีหลงอีกแล้ว หลงเข้าไปแทรกแซงจิตใจเราเนี่ยชอบหาความสุืมาให้ตนเองคือการเข้าไปทาําเงินจิตใจที่หลงเข้าไปทํำงานจงใจเข้าไปทำงานเรียกว่าโปเข้าตะเข้าเขาผ่านโปมีชื่อเต็มๆว่ากรรมโป๊ก็คือการจะทําทางใจการทํางานทางใจด้วยเจตนาจงใจทํา เจตานาไม่ใช่เจตานาปริสุทธิ์มันเป็นโลคะเจตานามีสันดาแทรกอยเช่นอยากปฏิบัติอยากปฏิบัติก็เลยจงใจปฏิบัติเข้าไปทํางานทางใจรู้สึกหมเมื่อคิดถึงการปฏิบัติเนียยิ่งทํางานมากขึ้นอีกเึดบางคนจะมาสงสัยแล้วทำไมพอเริ่มปฏิบัติแล้วมันทุกข์ว่างกราเป๋าทำไมมันอึดอัดทำไมมันแน่นทำไมมีสติแล้วมันเหน็ดเหนื่อย แนั่งสติปลอลมความรู้สึกตัวก็ปลอมเป็นความรู้สึกตัวที่สร้างขึ้นเป็นสติที่สร้างขึ้นแต่ถ้าอย่างเราเหลอยู่ราเกิดเฉลียวใจเึ้เนเหลือความรู้สึกตัวตัวนั้นเน่ะจะเบาเบไม่มีน้ำหนักเลยเราไม่ได้จงใจจะรู้สึกไม่ได้เจือไม่ไดันหานะเห็น ม, มันหลง ลูกคนนี้ไม่เลิกนะะหาไม้มาเล่นต้องสานแบบเนนะ <c oughs> ต็มเลยนั่นเรซึมได้ที่อจากย์ต้องเคาะจริงเราไปดูหนังญี่ปุ่นนะอารออทับทอกจริงวัดปากวัดทำ ง, งานประวัติครูบาอาจารย์วัดปากต้องสอนจริเงเผลอริษยาไล่ที่แล้วไม่ให้เผลอ นิดหนึ่งนิดมันตึงไปถ้าเราโดนขี้เราจำสภาวะได้อ๋อาาอย่างนีง้เรียกว่าเผลอเนี่อาการเผล่อย่างหนึ่งเป็นอาการเผอแบบหนึ่เราจําสภาวะอย่างนี้ได้แลนะต่อไปพระจิตมันไหลไปทางช่องนี้นะเผอไปแบบนี้นวะมันจําได้สติมันเกิดเองนะเราต้องฝึกจนสติมันเกิดเองสติเนี่ยมีการจำสภาวะทาไ ด, ได้แม่นเป็นเหตุใกล้เหตุ ติดมันไหลได้สังเกตทราบไหมเนี่ยถัดอย่างนี้ถัดรู้ทันพฤติกรรมของจิต น, นะนะถัดอย่างนี้เราง่ายไม่มีเรื่องมากเลยปฏิบัติในทั้งวันตั้งแต่เื่นยันหลับเลยคอ้ยยกเวนยกเว้นตามทำเงินที่ใช้ความคิดนอกจานั้นจเจริญสติได้หมดหนีไปแล้วนะให้รู้ทันถัดสังเกตสภาวะนี่เพ่งไว้อีกนะรู้ไหมทําไมต้องทําอย่างนี้ เคยชินถูกต้องจิตเนี่ยจะไหลไปตามความเคยชินถ้าเป็นความเคยชินที่ไม่ดีก็เรียกว่าอนุสยัยเคยชินทางดีก็ต้องเรียกโกโก้บาตบีไหมหลงรลับทราบไหมนี่หลงเรียกอนุสัยสังเกตไหมว่าใจเราเริ่มเคลื่อนไหวได้เมื่อกี้ใจไม่เคลื่อนไหวนิ่งๆนั่นจะเป็นตั้งท่าเปล่งน้ย ทุกอยากจะนิ่งจิตธรรมชาติหมดเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงทําไมนะจับหลักให้แม่นๆเราต้องเอห็นใจรักนี่แหละไม่ไปถึงความรู้สึกให้นิ่งไม่มีใจรักให้ดูคิดเพลินทราบไหมคุณเสื้อสีชมพูเสื้อหักแหงนี้นะเสื้อหกอักไฟสังเกีตอาตมาบอกปอนะเป็นตัวอย่างเป็งตัวอย่างให้พวกเราดูเราจะได้หัก รู้สึกของเราได้ที่จริงทุกคนสามารถรู้ความรู้สึกได้อยู่แล้วแต่ชอบรู้ช้าหรือชอบรู้ของอื่นมากกว่าอย่างเราตรวจเนี่ยเรารู้จักไม่ตรวจเป็นไงรู้จักแต่ว่าเราชอบตรวจรู้รู้ช้าแบบตรวจเมื่อวาน ว, านวันนี้นึกได้ตรวจเมื่อกลงางวันตอนเย็นนึกได้ดดเมื่อเมื่อกลางวันโรวจ น, นช้าแบบ จริงทุกคนรู้ได้อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยยอมรู้รู้ก็รู้ช้าช้าเนี่ยเราหัดรู้ให้ไวๆมันเกิดก็ไปรู้มันเกิดก็ไปรู้ให้มันเกิดก่อนนะอย่เจ้องไว้ก่อนห้ามจ้าไว้ก่อนถ้าจ้าไว้ก่อนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีแต่นิ่งๆงั้นปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาปล่ยให้ตาหูจมูกเดินใจใจกระทบอารมณ์ไปแล้วก็ให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่ห้ามนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะดับไปทั้งสิ้น เราเรียนเพื่อจะให้เห็นตรงนี้ถัาสุตาปันเห็นเท่านี้เองเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเริ่มเปทำนะนะอย่างนี้มันเป็นทางไปปลมมโลกไม่เกิดไม่ดับนิ่งๆใจลอยทำอะไรอยู่ทราบไหมั้ยพยายามนั่นแหละโยนทิ้งไปเลยพยายามนั่นแหละทำ เรื่อความพยายามยัดใส่ตู้ไว้ขนาด น, นี้มันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่งร้รู้ก็ไปตรงๆไม่ต้องพยายามรู้ไม่ต้องพยายามทำเราไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเราจะรู้รูปเดียวแต่จิต น, นั่นแหละมันชอบแอบไปทำปล่อยให้จิตมันทำไปเราตามรู้ไป น, น, นี่มันหนีไปแล้วทราบไหถอย่านงะนัรู้ไหมเื่อ มาเรียนพร้อมกันกเยอะนะพูดธรรมยากพูดแบบนี้ต่นี้ก็เข้าฟังมันเปลี่ยนเรื่องเลยนเี่ยหลงแล้วรึเปล่าถเป็นไงเอานาเป็นเย่างมั้งก็หลงเลยบ่อยหรือหลงนาน้ยนานกับบ่อยอยู่ด้วยกันไม่ได้อย่างยีิบสี่ชั่วโมงเนี้ยหลงนาน หลงนานๆก็ไม่หลงบ่อยวันหนึ่งหลงไม่กี่ครั้งให้มันหลงบ่อยๆอย่าหลงนานหลงบ่อยๆก็คือมันหลงตั้งหลงตั้งหลงแต่ดีขึ้นเยอะแล้วรู้สึกตัวเอย่างนี้ยรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกง่ายๆอย่าเกร็งนะรู้สึกง่ายๆทําอะไรทราบไหมรอฟังทราบไหมตั้งใจอย่าฟังทราบไหม เนี่ยให้เราไปรู้ทันพฤติกรรมของจิตใจนะจิตใจก็มีความรู้สึกยังไงเขาทาอะไรเนี่ยไป เ, เรียนรู้แหละก็ง่ายนิดเดียวเลยลองไปอ่านสฏิปทานเนี่ยเพรว่าง่ายที่สุดเลยง่ายจนยากเพราะเรานึกไม่ถึงว่าง่ายขนาดนั้นอย่างการรู้กายที่เรียกกายญาณปัสนานมาพิสูจนทั้งหลายที่เธอมีความรู้สึกตัวเรื่องต้องรู้สึกตัวถ้าไม่รู้สึกตัวก็ดู้อะไรไม่ได้ หลงไปในความคิดรู้สึกทั้งหลายให้เป็นความรู้สึกตัวแะในการก้าวไปในการฝอยหลังในการกู hiện, นะ้เย็นหรือซ้ายแลกขวาในการยืนเดินนั่งนอนกายของเธออยู่ในอาการอย่างไรรู้อยู่ในอาการอย่างนั้นเราพยายามไม่ใจลอยฝึกเพื่อให้ไม่ใจลอยปตนะิปัฐานทําไปเพื่อให้เกิดความรู้สึกรู้สึกตัวไม่ใจลอย ถ้รู้สึกตัวเนี่ยกูสนมันจะจเจนะริญ่ะกูสนมันจะถูกเล่เง่ง่ายมากเลยรเราเห็นร่างกายเราเคลื่อนไหวนะไม่ใจลอยพอร่างกายกร ะ, ะดุกกระดิกก็รู้สึกตัวขึ้นมอขันด้านนี้รู้สึกขันด้านนี้ก็พอรู้สึกตัวไม่ใจลอยเห็นมัยง่ายๆแล้วทางจิตใจลนะ่ะจิตใจมีความตุกก็รู้มีความคลุกก็รู้ง่ายๆอยีกแล้วนะใครๆก็รู้ได้คนระัะต้องถามไหมว่ารู้ยังไง เห็นต <s ad> ้องถามเลยจิตมีราคะก็รู้มีโกสะก็รู้คนด่าแล้วโกรธรู้ว่าโกรธเห็นต้องทําอะไรเลยแต่ถ้านั่งเจ้าอย่างนี้ก็ด่าก็เวยนะเออเืินในตัวนี้สตูนตัวหนึ่งขอการปฏิบัติเรื่องนะรับรู้สึกไปเรื่อยๆอย่าตั้งใจเยอะนะเพราตั้งใจเยอะมันจะน้อมไปหาความนิ่งใช่ตจอย ตรงกันบ้านไหมร่างมาแล้วยิมมารอบรว่าไม่แล้วเ่่อแล้วลบ่อยดีขึ้นนะถ้ารู้ว่าเฉือ่ยบ่อยอ่ะแสดงว่าสติเกิดบ่อย นะเพรฉันฉ้นจิตเป็นหักกุศลรู้ว่าเป็นหักกุศลนะครูเจ้าบอก ว, ว่าดีหรืมันมีสติขึ้นมาสร้างค่ารู้ว่าสังค่า